นะพ่อคี้ครับป้าได้ข่าวคราวเตทหรือยังละ่ะยังเลยครับผมพยายามติดต่อเข้ามือถือของเขาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ฮะอ่าให้ฝากข้อความเออกี้ไปลองฝากข้อความดูแล้วลูกโอ่ก็ฝากไปหลายครั้งแล้วฮะไม่มีการตอบกลับเลยฮะเตทหายไปไหนของเขาเ น, นี่ยผมลองโทรไปหาสุแล้วนะป้าไม่สุวัตจรีนะเหรอครับอ๋อแล้วเขาว่าไงมั่งละ่ะก็ยังไม่ได้เจอเทพเหมือนกันฮะเทพยังไปไม่ถึงเชียงรายครับป้า แล้วเขาแวะไปไหนของเขาล่ะหายเงียบไปเฉยๆแบบนี้ไม่รู้มั่งหรือไงว่ามีคนคอยเป็นห่วงอยู่เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยฉันก็พยายามโทรศัพท์เช็กหน่วยราชการว่ามีรถอะไรประสบอุบัติเหตุมั่งก็ไม่มีป้ายทะเบียนที่ประเทศบอกเลยทเทพเขาช่ารถที่เชียงใหม่นะครับก็ น, นั่นแหละประเทศน่ะเขาส่งข้อความมาบอกเลขที่ทะเบียนไว้ด้วยแล้วครับป้าจ้ะ ฉันก็เองโทรศัพ์เทคตามโดยราชการต่างทางเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจ้ะแต่ไม่มีวิเววใช่ไหมฮะใช่ไม่มีวิเแววอะไรเลยอกี้เอาไงดีอ่ะเนี่ยแบบนี้ต้องรอตะเทพโทรมาเท่านั้นใช่ไหมครับป้าตะเทพนะตะเทพคอยดูนะกลับมาจะว่าเส้หูชาเลยฮะอัลโลป้าครับฮัลโหล ฮัโโลโหลเอ่อไม่มีอะไรจ๊กี้ครับครับเออได้ข่าวคราวตะเทพขอโทรมาบอกมั่งนะแน่นอนฮะงั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะครับบัาดีครับป้าจ้ะสวัสดีจ้าเทพหายไปไหนของมันนะ สุเอ๋ที่ําเพราะว่ารู้ว่าฉันน่าจะถามทั้งใครใช่ไหมถูะต้องออแล้วได้ข่าวคราวไหมล่ะไม่เลยชันเองก็พยายามติดต่ออยู่เึมนกันนะแต่ไม่มีอะไรขืบหน้าทุกอย่างนะ่ะต้องรอเจ้าตัวเขาติดต่ อ, อกลับมาเท่านั้นแหลจะจ้ะอะไรของเขาก็ไปรู้สินะนี่อย่าไปห่วงเขาเลยนักกี้เทพไม่ใช่เด็กๆแล้วเคยอยู่มึงนอกมืงนามาแล้ว ตอนอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครเป็นห่วงโทรตามเ้าอย่างตอนนี้เลยนี่นาโอ้มันไม่เหมือนกันนะสกุก็เข้าใจอนะแต่ฉันก็พยายามช่วยอยู่นะอขอบใจมากแล้วแฟนสุเขาว่าไงเขายัางไม่รู้รอกว่าฉันนะกําลังบ้าตามหาแฟนเก่าอยู่เนี่ยนี่เธอเขรู้นะอาจจะมีการขึ้นเขาลงศอกไปได้นะเฮ้ยฉันล้อเล่นนะ เหมือนจิงนเนี่ย<ฟ>นน<ะ>ฉันเป็นคนมีเหตุผลไม่ทำอะไรโดยไร้เหตุผลเด็ดขาดเชื่อสิเรื่องเทพน่ะเขาไม่เอามาใส่ใจรอ้อฉันรู้ดีแล้วละ่ะขอบใจมากนะอันไหนละ่ะอะฉันทำไมจะมาหาฉันที่เชียงรายได้เมื่อไหร่อ่ะฮะก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะเจริงเหรอจริงสิสัญญาแล้วนะว่าจะมาหาฉันเร็วๆนี้อ่ะสัญญาก็ได้ตกลงเลย มาเมื่อไหรนะ่เนี่ยรีบโทรมาบอกเลยนะจะรีบจักแจงเรื่องที่พักให้เรียบร้อยรับรองว่ามาถึงเนี่ยจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีฉชนั้โอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะจ้าไม่ายจ้าให้บายจ้า กำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment อาจจะเคยมีคนที่เคยมองตากันแต่ก็ไม่เคยสงใจอาจจะเคยมี ชีวิตฉันยังว่างเปลา่าไม่มีคนเข้าใจฉันต้องการแค่ใครสัก วงในหัวใจอยากจะขอแค่ใครสักคนที่รักจริงก็ชีวิตฉันยังว่างเลาไม่มีคนเข้าใจฉันต้อง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 t a l s t w a t to be with y o อมือลาเสียงเพลงควรมาต้องลาเพื่อนกี่ปีจะลืมลืมฝากเพ้คอยย้บเตืน เขาไม่อาจวางสายทางเทียนทำได้ความหวังยังพริ้มพลายเก่าตายมีไม่เสร็ชีวิตที่ผ่านพบมีลบยังมีเพิ่อขอเพียงให้เหมือนเดินกำลังใจ วรา ความหวังยังติ้งคายเก่าตายไม่เสร็จชีวิตที่ผ่านพ้นมีลบยัอมมีเพิ่ขอเพียงให้ เ, เหมือนเดิมกำลััใจอย่ยา รักเราละลายเป่าใจให้ท้องคนผู้ทุกข์ทนตลอดกาลให้รับเราละละยายเป่ดใจให้ท้องคนผู้ทุกข์ทนตลอด ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment พ่อเองเหรอเออขายเอง ร, รถคันนี้มาได้ยังไงล่ะเนี่ยกดซื้อมาสิปุยออกรถป้ายแดงแลเลยหรอเนี่ยพ่อบนยางข้ามต้องรถป้ายแดงเท่านั้นเว้ยว่าเองเหอะไอ้มูซอ้อผมทําไมล่ะพ่อเอ็งซึมซับพระเจ้าไปถึงไหนแล้วเห็นสวรรค์ น, น้อยหรื อ, อยังหรือว่ามองไปทางไหนเห็นแต่นรกว่างนั่นเถอะโธ่พ่อก็พูดเกินไปหรือมันไม่จริงไม่จริงแน่นอนแล้วไงทําดีได้ดีอย่างที่เอ็งฝันไม่หรือเปล่า สักวันหนึ่งต้องได้แน่นอนโอ้สักวันครับพ่ออืมแล้วเมื่อไรเมื่อไหรก็เหมือนนั้นล่ะพ่อนี่ข้าจะบอกให้อาบุญนะเว้ยถ้าเอ็งคิดจะทำความดีเพื่อความดีจะตอบสนองเองละก็เอ็งเลิกเพ้อเจ้อไปได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ต้องได้สิพ่อคนอื่นเขาก็ทำดีกันทั้งนั้นแล้วไงได้ดีอย่างที่ว่าหรือเปล่าก็ตามอัตภาพนะพ่อโธ่อดมือกินมืออดอดยากๆอยา่ยางนี้ แล้วจะทําไปทำไมกันวะไอ้ความดีเละมันต้องดีสิพ่อเอ็งไปโดนใครล้างสมองมาวะเนี่ยเปล่าครับเปล่าอะไรก็เห็นเห็นอยู่นี่ไงผมไม่ได้ไปโดนใครล้างสมองมาผมคิดของผมเองครับคิดจะทําดีอยากเป็นลูกของพระเจ้าครับพ่อเอ็งแน่ใจเลยว่าเอ็งจะทําสำเร็จนะครับผมแม่ใจครับเพื่ออีนางศรีลามันหันมาชอบเอง็ง แล้วแต่งงานกับเองอสิธาครับพ่อฝันกลางวันเธอไอห้หมูซอเอ้ยโธ่เอ้ ย, ยพ่อทําไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะครับเขาพูดเรื่องจริงคนยังนั่งสีลามีวันแต่งงานไกน้ลูกมหาชนอย่างข้าแล้วเชื่อข้าสิสีลาเป็นคนมีความคิดเธอแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและเองแน่ใจหรือว่าเองดีจริงนะแน่ใจสิครับโธ่ไอ้บูซอเอ้ยเองนี่จริงจีเลยนะ เอ็งไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเอ็งเนี่ยมันพวกลูกไม้ลนไม่ไกลต้นนะพ่ออยา่าพยายามโน้มน้าวผมเป็นโจรอย่างพ่อหน่อยเลยเฮ้ยนี่เอง็งอะใครจะพูด ก, กับเอ็งยังไงดีวะนี่เอ็งก็ได้หูตาสว่างขึ้นมาเสถียพ่อไม่ต้องเสียเวลาหรอกครับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะผมมันนับถือพระเจ้าไปแล้ว พระเจ้าสอนให้คนนะ่ะทำแต่ความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันละกันก็เองมันบ้าไปแล้วไงแล้วพ่อล่ะอ่ะข้าทำไมพ่อไปอยู่ไหนมาโอ้เองสนใจข้าด้วยเหรอวะก็แค่อยากรู้ <S 2> <S 2> เผื่อว่ามีข่าวว่ามหาจรโดนยิงตายผมจะได้ไปรับศพได้ถูกที่ปากสีนะไอ้ลูกระยเม้ย ก็ตบหน้าผมทําไมก็ตบสั่งสอนความปากเสียของเองไงพ่อเอ็งไม่มีสิทธิ์มาด่าข้านะไอ้มูซอ์ผมขอโทษก็ได้พระเจ้านี่มันไม่ได้สั่งสอนเองเหรอใหเคารพพ่อแม่ไงวะฮะสอนสอนแล้วทำไมเอ็งยังแฉ่งข้ายอีกเหรอผมไม่ได้แช่งผมแค่พูดเฉยเฉยแค่พูดเฉยเฉยก็ไม่ได้งั้นผมขอโทษก็แล้วกันพอหน้าเยยข้าดีอีกเป็นอันขาดคือว่าผมเอ่อว่าไงครับพ่ออ้าว อัน <urt> ี palm, <mur> ้ปะเงินถูกต้องเงินข้าให้เงินเองไว้ใช้ผมไม่เอาทําไมวะเพราะมันเป็นเงินที่พ่อปล้นเข้ามามันเป็นเงินไม่สะอาดใครใช้ไปมึนก็ไม่เป็นมงคลต่อตัวเองหรอกดีดีเอ๋อเอ็งปากเสียอีกแล้วนะเอ็งจะบ้าหรือไงวะผมไม่ได้บ้านะพ่อผมพูดเรื่องจริงเอ็งไม่ต้องพูดบ้าเอาไปซะผมไม่เอาเน่อย่ามากเรื่องนั้เลยได้มูสซอข้าให้เอ็งต้องรับไป รับรายที่เองเป็นลูกของข้ายังไงเองก็ต้องรับเงินของข้าแต่นี่มันเป็นเงินสกปรกสกปรกยังไงวะมันเป็นเงินไว้ใช้ซื้อกินได้เหมือนกันเอาไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ให้มีตราประทับว่าเงินสกปรกซักหน่อยดิวะพ่อก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วเอ็งไม่ต้องพูดมากเนะอ๋อนี่ข่าววาเว้มโต๊ะนี่แหละแต่ผมไม่เอานะพ่อเองจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจเองก็แล้วกันนะเงินก้อนโตนี่นะเองเก็บไม่ใช้ได้ทั้งปีใชละข้าอาจจะต้องเดินทางข้ามชายแดนไปไม่รู้จะกลับเมื่ อ, อไร ถ้าเองเป็นคนฉลาดฉลาดพอแล้วก็เองควรจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ให้ดีๆไอ้มูซอก็บอกกตามตรงไม่ว่าเองจริงที่งไงกับข้าแต่สําหรับข้าแล้วเองก็คือลูกในไส้ของข้าจะดีจะชั่วข้าก็รักเมือนี้ข้าเป็นอยู่นี่ข้าจะชั่วแค่ไหนเองก็ต้องเรียกข้าว่าพ่อเองว่าข้าพูดถูกต้องไหมฮะพ่อ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี่โปรดเขียนใบสนิยบัติหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปนน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสใบสนี50าห0หรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี